ลุบุณยมวัดน้อยตำบโลโคกครามอำเภอบางประมาะจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศักราช2372ถึง2451 อย่าไปสนใจมันขันห้าคือร่างกายมีสภาพไม่แน่นอนดีไม่ดีเปล่าเดียวมันก็แก่เปลเดียวมันก็หนุ่มเปลเดียวมันก็ดำเปลเดียวมันก็ขาวช่างมา น, นอย่าไปสนใจกับขันห้ามันไม่เที่ยง ตั้งใจเจริญกรรมฐานทำกำลังใจให้ทรงตัวให้พอดีพอดีอย่าใช้อารมณ์เครียดการเจริญกรรมฐานจึงจะถือเอาเวลานั่งสมาธิเป็นสำคัญถ้าใช้เวลานั่งสมาธิเป็นสำคัญก็ยินถือว่า ยังไกลต่อมัคผลมากเพราะคึ้นชื่อว่าความจริงนิพพานญาณในเขาแปลว่าความจริงที่แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริง กับเราทุกขณะทุกขณะที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกเราต้องรู้จักความจริงอย่าห้อยหลังไปหาความจริงที่แล้วมาหรือว่าอย่าคิดข้างหน้าไปหาความจริงที่อย่างไม่ถูก ทั้ว่าถอยหลังไปหาความจริงที่แล้วมาหมายถึงว่าเมื่อความเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าสมัยก่อนเขามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวรูปร่างเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เวลานี้มันเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะ ใช้เวลานี้แล้บางคนเขายังแก่ไม่มากก็ยังไม่ต้องไปนึกถึงความแก่ข้างหน้าคิดแต่เพียงว่าในขณะนี้เขาจะทรงตัวแบบไหนก็ตามเขาก็มีทุกข์ทุกข์รความหิวเพราะความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การปวดอุจจาระปัสสาวะการประกอบกิจการงานการป่วยไข้ไม่สบายความปรารถนาไม่สมหวังและความตายจะเข้ามาถึงทุกอย่างมันทุก ที่จะทําอะไรเมื่อลืมตาขึ้นมาก็ดูกาลังใจว่ากําลังใจเวลานี้ของเราต้องการสงัดหรือต้องการคิดการปฏิบัติทางจิตอย่าฝืนกําลังใจถ้าลืมตามีความรู้สึกขึ้นมาว่ากําลังใจต้องการคิด ก็ให้มันคิดเพราะกรรมฐานทั้งหมดส0สิบอย่างมีอารมณ์คิด2ี่เกอย่างมีอารมณ์ทรงตัวส1บออย่างชอบใจกองไหนทำกองนั้นเวลาที่จะคิดก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องคิดเฉพาะกองนั้นเฉพาะกองนี้ จะเป็นกองใดกองหนึ่งก็ได้อย่างอสุภะกรรมฐานก็ได้มรณสติกรรมฐานก็ได้กายคตาสติกรรมฐานก็ได้หรืออะไรก็ได้ตามใจชอบแล้ให้ตัดสังโยชน์คือกิเลส เป็นเครื่องร้อยรัดใจพูดง่ายๆก็คือความชั่วที่เข้ามาดึงใจไม่ให้เข้าไปถึงความดีอันดับแรกมีสามอย่างคือ 1. สกายาทิฏฐิ 2. อวิจิอิจฉา 3. าิลพัตต าาความจริงสังโรด3ของพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นของง่ายคือหนึ่งให้นึกถึงความตาม มาในความตายสองมีความเคารพในพระไตรสรณคมสามตั้งใจรักษาศีลเท่านี้ยังไม่พอ จะต้องมีอารมณ์ต้องการพระนิพพานอีกที่เรียกว่าอุปสมานุสติกม ร, รมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ใช้อุปสมานุสติกม ร, รมฐานเข้าคุมใจคือต้องการพระนิพพานเมื่อจิตต้องการนิพพาน มันก็คุมตัวถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเข้าถึงก้าวแรกคือการเข้าสู่พระนิพพานเริ่มเข้ากระแสพระนิพพานแต่ยังไม่ถึงพระนิพพานเรียกว่าเข้ารั้วพระนิพพาน จ, จะสังเกตว่าจิตเราจะมีความเยือกเย็นลงคำดาคำนินทาจะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจมากนะักการกระทบกระเทือนจิตใจก็ตอนน้องมีเป็นของธรรมดา มันเบากว่าเดิมมันช้ากว่าเดิมไม่ใช่มีอารมณ์ไม่โกรธอารมณ์โกรธมีแต่โกรธเบากว่าโกรธช้ากว่าอารมณ์รักยังมีในมือยังมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงจิตก็ยังเลวแต่เราเลวอยู่ในขอบเขต ในรั้วพระนิพพานดีกว่าเลวภายนอกการนักสัญญาสาเบื้องต้นมีอารมณ์ตามนี้คือจิตมีความสุขเพราะคิดว่าเราตายเมื่อไรก็ตามเราจะไม่ไปอบายมิ ประการที่สองจิตมีอารมณ์รักพระนิพพานมากตอนนี้ยังเป็นสังโยษ์สามอย่างยาบเมื่อจิตมีความละเอียดจิตมีอารมณ์สงตัวในกรรมบททั้งสิบประการคือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ลักขโมยของใครไม่ทำกาเมสุมิฉาจานไม่ดื่นสุรามิไรไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำจิตไม่คิดจองล้างจองผลาน คือตัดพยาบาทจิตมีความเห็นตรงเฉพาะนิพพานอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นอย่างกลางที่เรียกว่าพระโสดาบันอย่างกลาง อย่างละเอียดจิตจะมีอารมณ์สงบสงัดมากมีอารมณ์ทรงตัวนิ่มนวลทุกอย่างไม่ต้องระวังพอเข้าถึงสกิทาคามีความอ่อนตัวของความรักระหว่างเพศ อ่อนตัวของความโลภอ่อนตัวของความโกรธอ่อนตัวของความหลงจะมีขึ้นมันมีบ้างแต่มีความอ่อนตัวมากมีกำลังเล็กน้อยไม่หนักหนาไม่รุนแรง ในขั้นสุดท้ายปลายของสกิทครมจิตจะไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศเลยจิตจะไม่มีความรู้สึกในความโกรธทั้งนี้เพราะว่าอารมณ์ละเอียดมากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลานี้ เราเป็นพระอนาคามีอันนี้ไม่ใช่ต้องสังเกตว่านานๆในอารมณ์สงัดจะมีความรักโผล่เข้ามานิดนึงหรือมีอารมณ์ไม่พอใจโผล่เข้ามานิดนึงแล้วก็ถูกดีกลับไปอย่างนี้เป็นพระสกิทาคามีและอิเด ก็ต้องศึกษาเป็นพระอนาคมีการศึกษาทุกอย่างเราจะทิ้งชาญไม่ได้เด็กขาดคำว่าชาญหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดปดว่าให้มันตรงตัวให้มันทรงจรงิจรงๆต้องการเมื่อไหร่ต้องได้ไหนและไม่ต้องไปนั่งหลับตาทรงชาญ การ่หลับตาทรงชาญนีไ่ไม่ใช่ของจริงการทรงชาญจริงๆคือไม่มีการหลับตาใช้กำลังใจได้ทันทีทันใดใช้กำลังชาญช่วยระงับเป็นกำลังป้องกันใช้ไม้ดาบฟัน นั่นคือวิปัสนาญาณฟันต่อไปคือกามฉันทะมันก็ฟันง่ายสิแล้วนี่ความรู้สึกในกามฉันทะมันจะไม่มีอยู่แล้ว คิดถึงความจริงใช้กำลังพรหมิหารคือเมตตาหรือกระสีสีคือกระสสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวยังได้อย่างหนึ่งก็ได้ หลังจากนั้นก็จับอสุภะกรรมฐานขึ้นมาเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์มันสุกกรก จากสกายาทิติตัวนี้ตัวสำคัญมากก็คิดว่าร่างกายจริงๆไม่ใช่ของใครมันเป็นของโลกชาวโลกมันเป็นธาตุสี่ที่ประกอบเข้ามาด้วยกันเป็นร่างกายขึ้นมามันเต็มไปด้วยความโศกปลกโศคล โกรธก็เช่นเดียวกันใช้พรหมวิหารสี่เข้าตัดและใช้สกายทิธิเข้าห้ามหัน่นในที่สุดเราก็จะเห็นว่าร่างกายของคนไม่เป็นที่ปรารถนาความโมโหโทโสความโกรธความเป็นมาไม่เป็นที่ปรารถนาของคนเรา ไม่มีความต้องการอย่างนั้นอารมณ์ก็ส่งตัวจิตจะมีความเยือกเย็นมากขึ้น<ม>ขึ้นชื่อว่าความรักนิดหนึง่งในวัตถุก็ดีในคนก็ดีในสัตว์ทั้งหลายก็ตามคำว่ารักด้วยกิเลสไม่น้ แรักด้วยเมตตามีกํกำลังสูงมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาจิตมีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครอุเบกขาวางเฉยตัวนี้มีกำลังแก่กล้า กำลังแก่กล้าความรักในระหว่างเพศไม่มีความโกรธไม่มีเราก็เป็นอนาคามมันก็เป็นของไม่ยาก เ, เข้าสู่ความเป็นอรหันต์ตอนนี้ไม่มีอะไรหนักการเข้าในเขตความเป็นอรหรนันนี้ไม่มีอะไรหนักเพราะเป็นการใช้ปัญญาอย่างเดียวหรือเรียกกันง่ายๆว่าใช้ความฉลาดการเป็นอรหันต์ ให้ตัดรูปราคะคือตัดรูปฌานคำว่าตัดไม่ได้หมายความว่าโยนทิ้งไม่ใช้ใช้รูปฌานและอรูปฌานเป็นปกติคือรูปราคะอรูปราคะเราใช้ใช้ทุกวันทุกเวลาจะเป็นฌานขั้นไหนก็ตาม ชานขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหขั้นเจ็ดขั้น8ดเราชอบใจชานขั้นไหนเหมาะแก่ ก, กาและสมัยเวลาแม่งคุยกานันนี่อย่างน้อยที่สุดให้ทรงชาญที่สอง และก็ใช้วิปัสสนาญาณดูไปด้วยฟังคำพูดของคนดูรูปร่างของคนดูภายนอกไม่พอต้องดูภายในภายนอกก็แก่ทุกวันสกรปรกภายในก็สกรปกรกรวมความว่ารูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีเรายึดไว้ เป็นกําลังแต่ไม่หลงอยู่แค่นั้นถ้าหลงในรูปฌานหรืออรูปฌานทั้งสองอย่างก็ถือว่าหลงความโง่คนโง่เท่านั้นที่คิดว่า รูปฌานและอรูปฌานเป็นของดีต่อมาก็ตัดมานะการถือตัวถือตนนี่เป็นของไม่ยาก เราจะถือตัวถือตนเพื่ออะไรในเมื่อร่างกายของเรามันก็เลวมันเป็นธาตุสีที่เข้าประชุมกันมีอาการส2สองเต็มไปด้วยความโศกโปรกโศโครกเราหันไปดูร่างกายที่เป็นทิพย์ร่างกายเทวดาร่างกายนางฟ้าร่างกายพรหม ร่างกายพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าที่ท่านนิพพานแล้วดีกว่าร่างกายนี้แล้วก็จงดูร่างกายภายในของเรากายภายนอกมันสกปลกกายภายในเราผ่องใสไหมต้องดูร่างกายภายในให้ผ่องใส คลายพระอริยเจ้าไว้เสมอเสมออย่างนี้ในเมื่ออารมณ์จิตเป็นอย่างนี้อารมณ์มานะทิฏฐิการถือเนื้อถุถื อ, ถอตัวมันจะมาจากไหนเราคิดว่าเราดีกว่าเขามันมีอะไรดี ร่างกายเน่าร่างกายแก่ร่างกายโสกระกก็ไม่ใช่ของดีร่างกายต้องตายเราคิดว่าเราเลวกว่าเขาเราจะเลวอย่างไรมันเลวไม่ได้เพราะว่ามันเท่าเขามันเน่ามันเปื่อยเหมือนกันเราคิดว่า เราเสมอเขามันก็เสมอไม่ได้เพราะร่างกายของคนย่อมคล้ายคลึงกันแต่ว่าจิตใจของคนไม่เท่ากันจิตของเขาอาจจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นิรชานเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์ก็ได้ ต้องดูภายในคือจิตใจหรือร่างกายภายในก็รวมความว่าอารมณ์ตัดความรู้สึกสามอย่างว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาตัดโยนทิ้งไป เราไม่สนใจเขาเราสนใจแต่ตัวเราอย่างเดียวชำระกายภายในให้สะอาดให้สวยที่สุดเท่าพระอาหารหันต์ถ้าจิตเข้าถึงตอนนี้อารมณ์จะมีแต่ความเป็นสุข จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นธรรมดาไปหมดคนที่เขาแสดงความรักในเราก็จงทราบว่าไม่ช้าเขาก็เกลียดเราเพราะมันเป็นของธรรมดาของชาวโลกถ้าใครเขารักในเราก็จงอย่าดีใจใครเขาเกลียดเราก็อย่าเสียใจ เขาสรรเสริญเราก็อย่าดีใจเขานินท่าเราก็อย่าสะเทือนใจทำอารมณ์ใจเป็นสุขในเมื่อถึงตอนนี้แล้วไม่ต้องไปคุมอารมณ์ใจอารมณ์ใจมันจะเป็นของมันเอง หลังจากนั้นจับวิปัสนาญาณคือสังโยชนิสิบอย่าไปจับทรงเดชมันจะป้วนเปียนไปการจับทรงเดชป้วนเปียนเป็นของไม่ดีจับให้ทรงตัวหลังจากนั้นแล้วก็ปล่อยใจตามสบายสบาย ขณะที่ปล่อยใจตามปกติก็ดูใจเวลาไหนใจเราผิดจากสังโยชนิสิบบ้างถ้าคลาดจากสังโยชนิสิบข้อไหนต้องถือว่าเวลานั้นเราเลวจงตำหนิตัวเองว่าเราเลว สังยยอดทั้งสิบประการต้องไม่มีในเราความจริงมันมีเราต้องทำให้มันไม่มีมันจะมีเราก็ฝืนไม่ให้มันมีมันก็ต้องสู้กันแบบนี้ไม่ช้าเราก็ชนะ